ท่านฟังที่รบคะท่านกําลังฟังรายการสันสนีสนทนากันอยู่นะคะเราเริ่มต้นสัปดาห์และเริ่มต้นวันของท่านทั้งหลายด้วยการให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนและไม่ต้องใช้เวลามากมายนะคะเพื่อที่จะทําให้ท่านได้เกิดความรู้ทําให้ท่านได้เกิดความชํานาญทีละเล็กทีละน้อยและนำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนนี้ก็มาถึง การที่จะทําให้ท่านเกิดความรู้อีกลักษณะหนึ่งนะคะต่อข้อสงสัยต่างๆที่จะได้รับคําตอบด้วยการนําเอาคําของพระาศาสดาที่เราเรียกกันว่าพุทธวจนะในช่วงเวลาที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะมาตอบกันนะคะพบกับพระเพรบุอภิพุนโนจากวัปดปารนายโซอุดรธานีค่ะนมัส ก, การท่านคะ่คะเล่นพายทราบว่าหลีกเล่นอีกแล้วเหรอคะช่วงนี้ใช่ใช่ก็จะตรงกับช่วงนี้พอดี ที่วัดป่าดอนไห่สงเราก็จะทําเดือนละครั้งเราก็ถ้าอยู่ในช่วงหลีกเล่นเนี่ยก็พอจะมีเวลามาจัดรายการวิทยุได้ไม่มีวนาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสิบสามโอ้ครั้งที่สาสิบสามเกือบครบสามปีแล้วถูกไหมคะถ้าเดือนละใช่แล้วก็บางสามปีแล้วล่ะคุณยมติ๋วจริงๆเพราะว่าตอนแรกเราก็จัดแค่2เดือนครั้งหนึ่งพอมาหลังๆนี้เราเพิ่มเป็นเดือนละครั้ง แล้วก็บางพระสูตรเนี่ยคุณโยมติวจะมาอ่านสี่สิบรอบละค่ะสามสิบรอบเท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าในการหลีกเล่นจะมีการนําพระสูตรไปอ่านให้ผู้ปฏิบัติได้ฟังเสมอใช่พูดถึงเรื่องของพระสูตรที่อ่านอ่านให้ฟังในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยจะเลือกเฉพาะที่พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเดียวหรือว่าต้องมีสภาพแวดล้อมเป็นพระสูตรอื่นๆด้วยคือในแต่ละวันเนี่ยก็จะ มีเรื่องที่นํามาให้ฟังไม่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าบางคนก็คือบางพระสูตรเนี่ยก็จะพูดถึงการแก้ปัญหาอะไรต่างๆบางพระสูตรก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติที่ลึกซึ้งลงไปอ่าเป็เราก็จะเลือกมาไม่เหมือนกันในแต่ละวันอ๋อค่ะนะคะก็ะเรียกว่าพระสูตรเหล่านั้นได้ถูกนำเอามากล่าวในรายการนี้บ้างไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบื้องต้นในการปฏิบัติบางพระสูตรเนี่ยก็เป็นพระสูตรส่วนใหญ่ที่มาพูดในรายการเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัติเช่นวิธีการแก้ปัญหาหอะไรต่างๆเนี่ยก็มาคุยกันค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้มีคําถามอะคะ่ะก็เป็นคําถามที่ท่านฟังที่ติดตามรายการของท่านเพ็ญบูลได้พูดถึงรายการภาษาอังกฤษด้วยนะคะสันเทธรรมะทอล์กไหนๆก็พูดถึงแล้ว เป็นรายการอะไรอย่างไรที่ไหนคะอขก็เป็นรายการภาพภาษาอังกฤษที่จัดที่เรียวไท a แลนด์ตอน8โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่3กับวันอาทิตย์ที่5ของเดือนอ๋อค่ะนะคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่คือบางทีคำถามที่ดีๆที่ส่งมารายการของคุณยมติ ว, วานะะมาก็จะดึงไปตอบในรายการอย่างซันเดยธรรมทกนี่เหมือนกันอ๋อค่ะออก็จะอุปโลกมาว่ า, ามีเ่อนผู้ฟังคนนี้ถามมาแล้วก็ พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เป็นการเกื้อกูลกันเพราะว่าคำถามส่วนใหญ่มันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสถามกันมาเองแต่ฟังปุ๊บแหมตรงกับใจที่กำลังสงสัยอยู่พอดีทีนี้ของท่านเนี่ยค่ะที่ได้ขอบคุณว่าให้ความรู้ทางด้านธรรมะกระจางแจ้งโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยได้ฟังแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านมาเนี่ยนะคะ เป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบตัติใช่ไหมคะใช่ใชเป็นวันนั้นเราได้คุยกันเรื่องของสติะนะว่าสติที่เราสังเกตลมหายใจกับสติในการเดินกับสติสติในการทํากิจอย่างเช่นว่าจิตอธิษฐานการงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกันต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยนะค่ะเราก็ได้พูดไปถึงว่าอย่างลมหายใจเนี่ยเวลาเราสังเกตลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเวลาเราเดินจงกรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอาจิตของเราไปอยู่ที่เท้าไม่ได้เดินไปตามเท้า หรือเวลาเราทําการงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอาจิตของเราไปอยู่ที่มือที่อะไรที่เราทํางานแต่จิตของเราเนี่ยต้องอยู่จุดเดียวคือจุดที่รับรู้ถึงสิ่ ง, ส, งสิ่งนั้นที่เรากระทาเช่นเ <versatile. S 1> ลมหายใจเนี่ยเราก็เอาไว้ที่จุดเดียวคือด้านหน้าที่จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกอย่างถ้าเราพูดถึงการเดินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเราจิตไว้ที่การเดินมันก็จะมีก้อนก้อนหนึ่งอยู่ในตัวเราที่เป็นจุดของการเดิน เราก็เอาจิตของเราไว้ตรงนั้นอ่าไม่ได้เอาไปตามเท้าหรืออย่างบางทีเราทำกิจการงานอย่างเงี้ยเราก็เอาจิตของเราไว้ที่การงานไม่ได้เอาไว้ที่เรีบท ย, ย่อยค่ ะ, ะทั้งทั้งนี้ผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่อันนี้พูดในประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็มัม ก, มกจะคิดถึงเรื่องละเอียดปลีกย่อย ว่าเอ๊ะมันต้องที่เท้าหรือยังไงนะอเอ๊ะหรือว่าที่จังหวะการก้าวใช่หรือว่าเอ๊ะท่านก็บอกให้อยู่ที่ลมหายใจอืมบางคนก็บอกให้ไปอยู่ที่หน้าผาคเลยนะคะเลยทเลยมึนไปหมดไงค่ะอย่างลมหายใจอย่างเงี้ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะในโพรงจ ม, มูกเหรอที่ให้รู้ลมหายใจเนี่ยแล้วมันต้องลึกเข้าไปจากปลายจ ม, มูกกี่มิลลิเมตรต้องเป็นตารางวงกลมหรือเป็นรูปโดนัทหรือเป็นตารางสี่เหลี่ยมทำมุมกี่องศาจากดั้งจ ม, มูกโอ้ยมันเราไม่ต้องรู้พวกนั้นเลย คือแค่เรารู้ว่าเรามหมายใจมันอยู่ตรงนี้เรารับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงนี้ก็เอาตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งจุดตรงนี้มันจะใหญ่ได้จะเล็กได้ไงตามกําลังของจิตที่เรามีเช่นเช่นเดียวกันกับเวลาที่ เ, เ, ล เ, เลนส์นูนเวลาที่มันรวมแสงมันขยายใช่ไหมถ้าตอนแรกเรายังมือไม่ค่อยคล่องเราปรับจุดโฟกัสยังไม่ถูกเนี่ยจุดรวมแสงมันก็ใหญ่ๆเบี้ยวๆเป็นรูปที่ไม่ค่อยกลมๆเท่าไหร่เหมือนกับเราทำเราหมายใจแ ร, แรกเนี่ย หรือเดินจงกรมแรกๆเนี่ยเราก็ต้องรับรู้อิรบทใหญ่ๆก่อนรับรู้ถึงจุดที่สัมผัสใหญ่ๆก่อนแต่พอทําไปทําไปเนี่ยเราปรับโฟกัสได้ดีเนี่ยจุดรวมแสงก็เล็กมากแหลมเลยเพียบเลยจนกระทั่งสามารถไหม้กระดาษได้จุดที่เรารับรู้ถึงลมหายใจตรงนี้ก็เล็กมากเหมือนกับปลายเข็มเลยจุดที่เราเข้าไปรับรู้การเดินตรงนี้ก็เล็กมากเหมือนกับนิ่งอยู่อย่างเดียวเลยแต่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทำมันคือปรับเล็กใหญ่ได้เหมือนกับ spot light เวลาที่เขาฉายบนเวทีเนี่ยให้เล็กให้ใหญ่ได้อยังไงนะ แต่ถ้าเปรียบเหมือนแม่นขยายนี่ต้องย้อนนึกถึงตอนเป็นเด็กเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนลูกเสืออะไรเก็จะมีให้จุดไฟค่ะทีนี้พอท่านพูดแบบนี้พูดที่ปฏิบัติเนี่ยดี๋ยวฉันเข้าใจว่าคงจะต้องผ่านเวลาคือเหมือนกับว่าทําไปเรื่อยแล้วมันจะพบใช่ไหมคะจุดที่พอดีเนะะี่ยค่ะต้องอาศัยการฝึก จุดที่พอดีพอดีตรงนั้นเนี่ยเราก็อาศัยการฝึกเอาค่อยๆปรับเอาต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตน อ, อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพ่อครัวเนี่ยเขาฉลาดในเรื่องของรสอาหารรสของเครื่องปรุงใช่ไหมเวลาเขาจะเอาหวานมาปนกับเค็มอย่างเงี้ยเขาจะใส่ไปในอาหารชนิดไหนมันถึงจะออกมารสชาติดีอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องรู้จักการปรุงตรงนี้แล้วถึงจะได้อาหารอร่อยเขาก็จะได้ค่าจ้างรางวัลเช่นเดียวกันเราต้องรู้จักวิธีการทําไงค ถ้าคนที่ทำไม่ถูกเนี่ยนะต่อให้คุณพยายามพยายามแค่ไหนใช้เวลานานเวลานานแค่ไหนคุณก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่ถ้าแต่ถ้า ค, คุณทำถูกถทำถูกวิธีอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาไม่นานหรือใช้เวลานานมันก็จะยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปค่ะนะนะคะงั้นก็คงจะทําให้ได้รับความกระจ่างมากขึ้นนะว่าให้ดูถ้าดิฉันจะสรุปแบบนี้คือเปรียบเทียบเวลาตัวเองปฏิบัติด้วยนะคะก็คือว่าเหมือนกับ ให้เราเนี่ยมีการรู้ไปรวมอยู่ที่การเดินทั้งหมดใช่แล้วก็ถ้าหากว่ามันรู้อย่างอื่นนอกจากนี้แปลว่าไม่ใช่ก็กลับมารู้อยู่ที่การเดินใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วไอ้ความละเอียดตรงนี้มันจะค่อยค่อยเล็กเล็เลกเลเลเข้าไปค<ช>่ะถ้าจิตเราละเอียดลงไปในที่นี้ท่านเพรณ์ไม่ได้หมายความว่ารู้อยู่ที่ เท้าที่ก้าวเดินถูกไหมคะไม่ชรูอยู่ที่การเดินถูกต้องถูกต้อง ค, ค่ะค่ะก็มเป็นคำถามที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายมากเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีมันว้าเหวนะคะดิฉันมีพี่สาว อ, อยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยคะ่ะปกติแล้วปีหนึ่งจะกลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่งสักป ร, ระมาณสามเดือนหนีหนาวแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ กลับมาแล้วก็ได้ฟังซีดีอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะเกี่ยวกับพุทธวจนะก็เกิดสัทธาเรื่อมใสามากพอไม่ได้กลับมาปีหนึ่งดิฉันฟังข่าวได้ยินว่าการปฏิบัติที่ทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยชักเกิดความลังเลความเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไปไหนหรือเปล่านะที่เราทํามันเนี่ยก้าวหน้าไห ม, อ, มอยู่ตรงไหนแล้วมสมมติเกิดมีใครกําลังเป็นอย่างเงี้ยคะท่านคะแล้วบางเอิญเปิดวิธีอุมาฟังพอดีเลยอืเป็นคนที่ฝากใฝ่มากทําทุกวันเลยและคิดว่าทาถูกด้วยเพราะฟังพุทธวจนะ แต่ก็ไม่ไว้ที่จะมีความรู้สึกว่าใครจะบอกเราได้ว่าเราไปถึงไหนแล้วค่ะออวิธีการวัดความเจริญก้าวหน้าของของจิตของเราเนี่ยอย่างบางทีถ้าคนปฏิบัติมานานแล้วใช้เวลามานานแล้วฉันปฏิบัติเป็นหลายๆปีเอ๊ะฉันทําถูกหรือเปล่าเนี่ยนะคุณสามารถรู้ได้เลยว่าจิตของคุณเนี่ยเป็นสมาธิมากไหมล่ะในแต่ละวันแตถ้าจิตของคุณเป็นแน่แน่เป็นสมาธิไม่สัดสายมไร้ไปผิดมีสมาทิฏินะไม่มีนิวรณนะ์ส่วนใหญ่ของวันคุณเป็นอย่างนี้โอ้โหดีละ อันนี้คือประการที่หนึ่งที่คุณวัดได้ ค, คือไม่เหวี่ยงมากใช่ไหมแล้วประการที่2คือวัดได้ที่ความแรงความแรงหมายความว่าถ้าเราโดนอะไรมากระทบโดนอะไรมากระทบแล้วเราจีด๊ดกระฟัดกระเฟียกกระด้านกระเด็นแสดงความกดความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือว่ารั้มให้ร่ําครงทุบปกชกตัวเป็นพูด ง, งุนงงหลงไหลแสดงว่าไม่ดีละ่ะความรุนแรงตรงนี้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ถือว่าดีนะก็ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมแล้วอย่างที่สามวัดที่ความเร็ว นะความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์สมมุติว่าเราไม่ต้องถึงขนาดวัดจี๊ดหรอกเราเอาแค่ตึงๆหึมๆขึ้นมาใครมาด่าเราใช่ไหมฉันไม่ดา่าเธอกลับก็ละแต่ฉันหึมๆอยู่ในใจไอ้ความหึมๆตรงนี้คุณปล่อยวางได้เร็วแค่ไหนนะในคืนคนี้อย่างแรกคือวัดที่เวลาปกติใช่ไหมคือความที่จิตของเป็นสมาธิอย่างที่2อและสเนี่ยวัดเวลาที่มีอะไรมากระทบะว่าความแรงและความเร็วในการที่เราปล่อยวางอารมณ์เนี่ยได้มากแล้วก็ได้เร็วเท่าไหร่ คอันนี้จะเป็นเกณฑ์ในการวัดได้ว่าเอฉันมาถูกทางไหมฉันอยู่คนเดียวเนี่ยจะไม่มีใครสอนเนี่ยอหรือว่าแค่ดูตามพุทธวจนะไม่ได้ปฏิบัติร่วมกับใครมีความสงสัยอยู่ก็จะสามารถมีเกณฑ์ตรงนี้รู้ได้แ ม, มรู้สึกว่าทําให้สบายใจมากขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยคือท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติมานเรียเข้าใจว่าก็คงจะเออเราเดี๋ยวนี้สมาธิก็ดีขึ้นนี่นาะเวลามีอะไรมากระทบ มันเอมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่เห็นจะสัดสายได้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้หลังจากปฏิบัติเนี่ยอาการหนักกว่าเก่า <c oughs> อ่าอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นคําถามเลยนะคะอส่วนสรุปข้อที่สามก็คือว่าความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์ <c oughs> นะคะท่านอาจารย์บอกว่า <c oughs> นี่แหละพุทธเจ้าบอกว่าเอาไว้วัดความก้าวหน้าอืของการปฏิบัติทีนี้มาถึงคําถามข้อที่สองที่ด <c oughs> ิฉันค้างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ <c oughs> ว่า การวัดความแรงเวลาที่มีอะไรมากระทบเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยนะคะ่ะก่อนหน้ามาปฏิบัติมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนหนักแน่น ม, มั่นคงมไม่คอยจะมีปฏิกิริยากับอะไรแรงๆมาโดยตลอดชีวิตเลยนะคะ <laughs> แต่พอมาหลังจากการปฏิบัติอันนี้จริงก็ยังเว้นเอาไว้สำหรับเหตุผลอื่นด้วยว่าเอ๊ะเป็นธรรมชาติของเราหรือเปล่าที่อายุมากขึ้นแล้วเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็อายใจทุกครั้ง ที่เวลาเรามีปฏิกิริยากับเรื่องที่ไม่เคยทําให้เราเกิดปฏิกิริยาว่าอเอ๊ะฉันเป็นผู้ปฏิบัติแล้วยายจึงมีอย่างนี้เกิดขึ้นมันมันจะมีได้2กรณีไงคุณยมสีกรณีแรกเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนชั่วเราเห็นสิ่งชั่วช่วเราเสพสิ่งชั่วๆจิตเราจะต่าลงได้อันนี้ก็คือกรณีที่คนชั่วก็จะเป็นกันคุณดีๆอยู่ใช่ไหมคุณทําสิ่งไม่ดีมากขึ้นคุณผิดศีลมากขึ้นจิตคุณจะน้อมไปในทางนั้น นะค<ะ>รูชาตบอกว่าเมื่อเธอระลึกดาริถึงสิ่งใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราเสพสิ่งชั่วๆมากเราก็จะน้อมไปในทางชั่วแต่ถ้าไม่ใช่ ก, กรณีอย่างนี้เฮ้ยฉันปฏิบัติทำนะเรื่องชั่วๆเนี่ยฉันไม่เอาอยู่แล้วทําไมจิตฉันยังน้อมไปในทางนั้นก็<ะ>เวลามีสัมผัสตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกรณีที่สองที่ว่านั้นจะเป็นแค่เครื่องทดสอบของเรานเครื่องทดสอบคือคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่มาคอยทดสอบว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะเวลาคุณจะปล่อยวางได้อย่างเงย เขาก็จะมีเครื่องทดสอบไอ้ปล่อยได้วางได้จริงก็เปล่าเอานี้มาทดสอบดูตูมปล่อยวางได้ไม่จริงเนี่ยนี้ยัยงจี้ดอยู่นะหรือบางทีเราปล่อยวางได้จริงเราก็จะสามารถปล่อยวางได้นะคะเพราะนั้นถ้าในลักษณะที่ก็ยังอยู่ในลู่ทางของการปฏิบัติแล้วเกิดอย่างนี้น่าที่จะเป็นในหัวข้อของการเป็นเครื่องทดสอบที่ปรากฏขึ้นมาทีนี้เราจะทาอย่างไรดี ในกรณีมีเครื่องทดสอบนี้น่ะเหรอค่ะในกรณีนี้ก็คือว่าเมื่อเมื่อเรารู้เช่นนี้ต่อไปให้เราพยายามมากกว่านี้มีสติมากกว่านี้หรือยังไงคะเอ่อคือเราก็พยายามที่จะมีสติในการที่จะใหไวขึ้นะให้รู้ว่าโอ้อจริงๆเรื่องนี้เราไม่เคยมีปัญหานี่ตอนนี้มันมีปัญหาแสดงว่าสติเราหลุดไป อ, อควรดีใจไหมครัเวลาที่เอ่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็นึกได้ว่าแหมมันน่าอายจังเลยเอ๋อ คือควรจะปล่อยวางให้ได้คนปล่อยวางได้เนี่ยจะมีความร่าเริงจะไม่ถึงกับความดีใจหรอกถ้าดีใจจนกระทั่งลุ่มหลงมัวเมานี้จะไม่เป็นอย่างนั้นหรือถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่เสียใจค่ําให้คลําครวยก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่จะมีความปีติสุขมีความร่าเริงที่เกิดจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ค่ะวันนี้ก็เท่ากับว่าได้วิธีในการที่เราจะตรวจสอบความก้าวหน้าของเรา ท่านทั้งหลายที่อยู่ลำพังไม่ได้ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จะได้ไม่ว้าเหว่จนเกินไปนะคะแล้วสมมุตินะคะเราเนี่ยส่องกระจกดูตัวเองเราไม่ต้องโกหกใครเลยเราต้องซื่อสัตย์นะคะวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาสบายใจละเราจีบยากไม่แรงอันนี้ถือว่าดีเลิศถูกคะแล้วก็ถ้าปล่อยวางได้เร็วทำได้ครบสามอย่างนี้คือ อ, อะไระก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ <c oughs> แสดงว่าคุณยจะรู้ทําได้ด้วยเวลาไม่นานจากนี้นะคะแล้วเราก็ต้องกราบนวัสการท่านไพบูร์นะคะเพราะว่าทําให้สบายใจมากยิ่งขึ้นขนาดดิฉันเนี่ยใกล้ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ไวายเกิดความรู้สึกสงสัยอยากถามค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ต้องนวัตการขอบพระคุณท่านเปอย่างยิ่งเลยคะ่ะเจริญพรค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะ นี่แหละค่ะเป็นสาระที่ท่านจะได้จากรายการสันสนีสนทนานะคะแล้วก็ไม่ใช่ให้เป็นเรื่องรู้ไว้ใช่ว่าแต่เปื่อยเป็นเรื่องที่รู้ไว้แล้วเอาไปใช้ชีวิตท่านจะพบกับความสวัสดีความชัดเจนอย่างนี้ปรากฏได้เพราะว่าเรามีพุทธวจนะกำกับค่ะและพุทธวจนะนั้นก็มีรวบรวมอยู่ในหนังสือชื่อว่าพุทธวจนะนะะในชุดต่างๆเรามีมอบไห้ท่านทั้งหลายที่โทรศัพท์เข้ามาที่0ูนย สองห0เก้าศูนย์ููหกนะคะวัน ล, ลาสามท่านสม่ำเสมอค่ะแล้วก็เป็นความเมตตาจากพระอาจารย์คือคลิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวนาปพงนำลูกกาคลองสิิก็ต้องกราบมรส ก, การขอบคุณในโอกาส น, นี้ด้วยส่วนพวกเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะพุทธวสวัสดีค่ะ